ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระตัถรตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะประพระปุพรสิกขาและปุพรสิกขาวันน า, นาพระอมราภิรักิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรัชนาต่อไปจะเป็นสุทธิกะปาจิตตีในวั์ที่แปดชื่อว่าสหธรรมนิสวร์ประดับด้วยสิกขาบทสิบสองสิกขาบท สหารรมิกฐานสิขาบทที่หนึ่งความว่าทิศสุใดประพฤติอนาจารอยู่ทิศสุดทั้งหลายอื่นห้ามปรามว่ากล่าวด้วยสิขาบทบัญญัติกลัวจะเป็นอาบัตเพราะไม่เอื่อเฟือเธอแกล้งกล่าวเป็นเล่ติว่าเรายังไม่ได้ถามทิศตุอื่นซึ่งเป็นพระวินัยทอนผู้ชนาตราบใดเราจะยังไม่ศึกษาในสิขาบทนั้นก่อนดังนี้ต้องอาบัตาตาจิตีทุกๆคำเลย วิสัยผู้จะศึกษาเนี่ยจําจะต้องรู้ให้ทั่วถึงต้องไตร่ตรอเนื้อความแห่งปาฐะา น, นนั้นๆต้องคิดเปรียบเทียบอันนี้แหลเป็นความชอบยิ่งในธรรมนั้นในอุปสัมบันินั้นเป็นติกะปารจิตติก็คือถ้าอุปสัมบันิว่ากล่าวนับเรื่องในสุขาบทก็คือพระวิกสุ์ด้วยกันว่ากล่าวถ้าไม่เอื้อเฟือก็จะทําให้ตบัตปารจิตติแต่ถ้าเป็นอนุสัมบัติ ก็เป็นติกระทุกฏก็เป็นอุปสมบติกระปฏิตรีจะรู้ว่าเป็นอุปสมบันหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอนุสมบันิหรือว่าสงสัยก็ตามว่าติกกับปจิตรีแต่ถ้าเป็นอนุสมบัติว่ากล่าวว่าเป็นติกระทุกฏเข้าใจว่าเป็นอนุสมบันิหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอุปสมบันิหรือว่าสงสัยก็ตามถ้าเป็นอนุสมบันิก็ติกระุกฏอุปสมบันหรือว่าอนุสมบันินั้นตักเตือนว่ากล่าวด้วยข้อไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่พระบัญญัติในพ ร, ระวินัยในปฏิโมกเน้นนะเป็นประสูตรหรือว่า ข้าพิธารรมด้วยคำเป็นต้นว่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อสันเลขะเพื่อกันสักเลสและเธอกล่าวผัดเพี้ยนดังก่า น, นั้นเป็นแต่ทุกกฎคระะั้นจอยกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรู้ข้าพระเจ้าจะศึกษาดังนี้ก็ดีและที่ถูบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัติก็คือไม่ต้องอบัติถึงข้าพุทข้อนี้ก็เป็นอนานสิกะใช้ให้กล่าวอย่างนี้ไม่เป็นคนกล่าวจะเป็นมีองสอง คืออุปสัมบัติว่ากล่าวด้วยพระบรัญญัติอย่างหนึ่งกล่าวผัดเที้ยนไปดังนั้นด้วยหวังจกไม่ศึกษาอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองรรสองนี้จึงเป็นปาจิตติสมุตทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอัคคินาทานติกาบทแต่ติกาบดนี้ก็เป็นทุกขเวทนาสมุทาาาฐานเขัสอัคคินาทานติกาบทก็มีสามก็คือทา ย, ยาาจาิตอย่างหนึ่งวาจาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาด้วยเพราะว่ามีการกล่าวแล้วก็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 ขุตกะสิกขาบทบอกว่าปาดิโมนี้เล็กน้อยใครเล่าเรียนสิกขาบทเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อความรังเกียจเดือดร้อนราคัญใจเท่านั้นเองเพราะติดเตียนสิกขาบทดังนี้ต้องปาจิตตีในการติเตียนแก่อุปสมบันิเป็นติกะปาจิตตีในการติเตียนสิกขาบทแก่อนุสัมบันิเป็นติกะทุกฏในการติเตียนธรรมอื่นคือพระสูตรและพระอภิธรรมแก่อุปสัมบันิหรือว่าอนุสมบันิทั้งสองนั้นเป็นทุกฏ ไม่ประสงค์จะตีเตียนกล่าวว่าท่านจงเรียนพระตรหรือว่าอภิธรรมและคาถาเกศกรเถิดภายหลังจึงค่อยเรียนวิ่นัยดังนี้และี่ถูกกันบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัตดิษฐ์ขาบทข้อนี้เป็นอนานติกะใช้คนอื่นไปพูดติเตียนสกขาบทตัวเองก็ยังไม่ต้องสิกาบทข้อนี้ยังไม่ต้องอบับดิษข้อนี้คนพูดต้องมีองคศอก็คือใค่จะจตีเตียนหนึ่งติเตียนสุขาบทในสำนักของอุปสัมบัติหนึ่ง พร้อมองค์สองนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุตทฐานที่เป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทมีสมุทฐานสามกันสิจิติกะโลภะชะแต่ว่าสิกขาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาเพราะว่าไม่ อ, อืดเผลอเราจีเตียนสิกขาบทมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติสิกขาบทก็ไม่เคารพสิกขาบทเขาเท่ากับไม่เคารพพระพุทธเจ้านั่นเองในโมหนะนาสิกขาบทที่ 3, สามแท่งคำหลง ความว่าพิกจุใดประพฤติอนาจารอยู่ก่อนแล้วครั้นปาฏิโมกสงสวดอยู่ทุ ก, กึ่งเดือนวันอุโบสถมาสองครั้งสามครั้งแล้วได้ยินรู้อยู่หวังจะให้พิกจุอื่นสำคัญว่าตนต้องอาบัต ด, ด้วยความไม่รู้แกล้งกล่าวว่าข้าบาจ้าพึงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าติกขาบทนี้มาในปาฏิโมกเนื่องในปาฏิโมกมายังอุเทศทุ ก, กึ่งเดือนดังนี้ถ้าพิสูจทั้งหลายอื่นเล่าก็รู้อยู่ด้วยว่า เธอนี้เคยยังนั่งฟังปาติโมกสงสวดมาสองครั้งสามครั้งแล้วดังนี้เธอนั้นต้องทุกตก์เพราะแกล้งทำหลงอาบัตใดเธอต้องเพราะประพฤติอนาจารในการก่อนนั้นเธอจักพ้นอาบัตนั้นด้วยการแกล้งทำไม่รู้ป็หาไม่ก็คืออาบัตอะไรที่ประพฤติผิดมาก็เป็นอาบัตตามนั้นแหละให้พระวินัยทรนพึงปรับตามโทษที่เป็นเทสนาคามีนี แสดงอับบัตคืนได้หรือว่าเป็นวุทิฐานคามินีก็คือพวกอับัตสงฆัที่เศษต้องอยู่กรรมเธอะสงพึงซ้รทมโมหาโรปนกรรมแก่เธอนั้นก็คือทายติทุติยกรรมวาจยาให้ยิ่งขึ้นไปด้วยว่าทมโมหาโรปนกรรมนี้ก็คือสวดประกาศในความเป็นผู้แซงทําลงครั้นกรรมนั้นสงธรรเป็นธรรมเสร็จแล้ว เธอแกล้งทำหลงอีกก็ต้องอับตะตาจิตตีต้องอับตะตาจิตตีสมุดฐานสามเหมือนอธินาฐานือนกันเป็นกิริยาสัญญาอิโมสจจิจกะโลกวชัชชะไกกรรมะจีกรรมอุตตรจิตแต่ว่าเป็นทุกเวทนะอธินาฐานสิกขบทนั้นเป็นเวทนาสามโดยสมุดฐานการจิตวาจาจิตกาวาจาจิตแต่ว่าอันนี้ก็สมุดฐานเหมือนการตเวทนาต่างอันนี้เป็นเวทนาทุกขเวชนาต่อไปในปราระสิกขาบทที่สี่ ถามว่าทิสุใดโกรธแค้นแล้วให้ประหารแก่ทิสุอื่นด้วยกายหรือของเนึ่องด้วยกายหรือว่าซัดคว้างไปเป็นปาจิตตีแม้ทิสุต้องประหารนั้นตายก็คือผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยตายก็เป็นคงเป็นปาจิตตีเพราะว่าไม่ได้เจตนาฆ่าเจตนาทำร้ายก็รปรารถนาจะประหารอย่างเดียวในอุปสัมบัติเป็นติกาปาจิตตีในอนุสัมบัติเป็นติกาทุกฏ มีประสงค์จะทําให้เสียรูปก็คือเสียโฉมเชื้อดัดหูเป็นต้นแห่งอุปสมบันิหรืออนุสัมบันิก็เป็นทุกข์ผู้ใดผู้หนึ่งมาเบียดเบียนจะทุบตีด้วยประสงค์จะให้ตนพ้นอันตรายจึงให้การประหารก็ดีก็คือป้องกันตัวและปิจูเป็นบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัติก็ป้องกันตัวนี้ก็ไม่ียบัติ์สิทธาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะมีองค์สามโปรดแค้นหนึ่ง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 แต่วันในที่นี้เป็นอคุชนเวทนายอย่างเดียวก็แสดงว่าเป็นโทสามูลจิตในตรัะสัตติกะสิกขาบทที่ห้าเนื้อหอกคือฝ่ามือนะทิสุไดยเงื้อเนื้อกายหรือว่าของเนื่องโดยกายแม้ใบอุบลแก่ทิพย์ตัวอื่นด้วยความกระโดดแทนต้องภาจิตีแค่เนื้อฝ่ามือหรือว่าเงื้ออาวุธอะไรต่างๆก็าอาบัติแล้วนะถ้าเธอเงื้อเนื้อขึ้นแล้วพลังไป ประหารลงไซ้ต้องทุกข์กดเพราะว่าไม่ได้เจตนาประหารเปนเจตนาเนื้อแต่มันพั้งลงไปเพรไม่ประสงค์จะประหารด้วยประหารนั้นอวัยวะใดมีมือเป็นต้นแตกหักไปก็เป็นทุกข์กฎอย่างเดียววิทย์เฉยทั้งปวงนอกนี้พึงรู้โดยนาิกิาบทัญกล่าวมาแล้วในก่อนนะจะเหมือนกับสมุทานเหมือนกับสมบัราชิดเหือนกันแต่ว่ามีทุกขเวทนาเหมือนกับประหารสิฆาบทนั่นเอง ในสุดาบดทั้งสองนี้แม้สัตว์เดรัจานก็ชื่อว่าอนุสัมพันธ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปประหารเปตีพวกสัตว์เดรัจานทั้ น, นี้ก็ต้ อ, อบัตทุกกฎไปเหยียดเหงือกไปคว้างไปปาอะไรก็ได้แต่สัตว์เดราัจานนี่ก็อบัตทุกกฎเหมือนกันก็สอนให้มีคารุณามีเมตตาไม่ให้เบียดเบียนใครๆแม้กระทั่งสัตว์เดรัจาน ในอมู ล, ลกาศิษฐานบทที่หกความว่าภิกษุใดโจ์เองหรือว่าให้ผู้อื่นโจย์ซึ่งภิกษุด้วยอัตสังฆาทิเศษสิบสามข้อข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่มีมูล <c oughs> คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเธอนั้นต้องถ้าเธอผู้ต้องโจ์นั้นรู้ตัวว่าเขาโจ์เราดังนี้ในขณะนั้นไซเป็นปาจิตีแก่ผู้โจรเป็นปาจติตีถ้าโจปรประชิดไม่มีมูลนีต้องอัปสังฆาทิเศษ โจทอบัตสังคาทิเสษไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีโจทย์อาบัตปาจิตตีถุนรักใจปาิเดสุนิยะเป็นพวกอาจารราวิบัติเหล่านั้นเนี่ยต้องอาบัตทุกกฎถ้าโจทย์โดยไม่มีมูลต้องอาบัตทุกกฎในอุปสัมบัญเป็นติกะปาจิตตีโจทย์ด้วยอาจารราวิบัติปฏิว่าทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลเป็นทุกกฎในอนุสัมบัญโจทย์อนุสมบันก็เป็นติกะทุกกฎสาคัญว่าเธอต้องแล้วโจทย์ตามความสําคัญนั้น หรือว่าพิกตบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัตไม่เป็นอบัตสิคราบทข้อนี้เป็นสารนักิการแสดงว่าใช้ให้คนอื่นไปโจดก็เป็นอาบัตเหมือนกันคนใช้ก็เป็นคนโจดก็เป็นมีองค์สี่ก็คือผู้ที่ต้องโจดเป็นอุปสัมบัตหนึ่งอาบัตสังฆทานที่เสรไม่มีมูลหนึ่งโจดเองหรือว่าให้ผู้อื่นโจดหนึ่งผู้ต้องโจดคือผู้ที่ถูกโจดรู้ตัวในขณะนั้นหนึ่งพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตี สมุทานิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอาทินนาทานสิกขาบทแต่ว่าสิกขา บ, บทข้อนี้ก็เป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นก็เกิดด้วยสมุทฐานสามกา wa, จยจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกสกิจจิกะเอโลกะวัญญาชะอุปโทระกิตากายกรรมวิจกรรมแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาเท่านั้นข้อนี้ต่อไปสันจิตจากสิกขาบทที่เจ็ดถามว่าทิสุใดแกล้งทําความรําคาญให้เกิดขึ้นแต่ทิสุเอินด้วยกล่าวว่า ท่านเฉลอยอายุยังไม่ครบยี่สิบบวชไม่เป็นอุปสมบันิท่านนี้เป็นพะระพิตรองเฉลอยท่านฉันอามิตรในเวลาวิการหรือว่าบอกสงสัยท่านเจ็ฉันอาหารในเวลาวิการนั่นเนี่ยต้องปัสกิตีแล้วชรลอยท่านจะดื่มน้ำเมานั่งในที่รับกรรมทุคามไม่มีเหตุแกล้งกล่าวเล่นให้เธอนั้นร้อนใจดังนี้ต้องปาจิตตีทุกๆคงในอุปสมบันิเป็นติกาปัสิจตีในอนุสมบันิเป็นติกาทุกกฎ ไม่ปรารถนาจะให้เธออื่นรำคาญใจกล่าวอย่างนั้นด้วยเสีงหาประโยชน์แก่เธอนั้นอย่างเดียวและที่สุบ้างเป็นต้นเป็นอาณาบัตที่ขบทข้อ น, นี้เป็นอนาาณิติกะใช้คนหนึ่งเข้าไปอีกแกล้งข้อความรำคาญคนแกล้งคนนั้นอบัตคนไม่แกล้งก็ยังไม่ต้องอบัตข้อนี้แต่ว่าก็มีโทษมีอบัตชักชวนในสิ่งที่ไม่ควรมีองค์สามก็คือผู้อื่นเป็นอุปสมบันิอย่างหนึ่งหวังความไม่ผาสุกแก่เธอนั้นหนึ่ง ทำความรำคาญให้เกิดขึ้นดังนั้นครบองค์ศานี้ถึงจะเป็นปฏิตรีสมทุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยสิกขาบทในลำดับมาก็คือเป็นอตินนาทานสมุทฐานนั่นเองสมุทฐานสามนะว่าเป็นทุกเวทนานต่อไปอุปปัุติสิกขาบทที่แปดความว่าพิสุดใดเมื่อพิกสุอื่นทะเลาะวิวาทกันอยู่แล้วปรารถนาจะแอบฟังว่าเธอเหล่านั้นจะพูดอะไรพูดอย่างไร เราจับฟังและหวังจะโจดท้วงด้วยและเดินไปเป็นทุกกฎทุกทุกท ก, ก้าวแม้อยู่ข้างหลังเดินรีบขึ้นไปให้เร็วหรือว่าอยู่ข้างหน้าแกล้งทําให้ช้าลงมาก็เหมือนกันยืนในที่ใดได้ยินเสียงหยุดยืนฟังในที่นั้นเป็นาปาจิตติมาที่อยู่พิกษุเหล่านั้นได้ยินเธอปรึกษากันอยู่หรือเธอเดินปรึกษากันมาที่ใกล้ที่อยู่ของตนได้ยินก็พึงกระแอมไอหรือบอกว่าเราอยู่ที่นี้ ให้เธอรู้แม้ไม่ทำดังนี้นิ่งฟังอยู่คงเป็นปาจิตตีในอุปสมบัติเป็นติกะปะจิตตีในอนุสมบัญิเป็นติกะทุกฏกไปแอบฟังโดยคิดว่าเราได้ยินเธอเหล่านั้นเราจักเว้นจักงดจั ก, กระทับจักเรื่องตัวเสียดังนี้ก็ดีก็คือถ้าเราทาผิดเราก็จะได้แก้ไขและที่ถูกบ้านเป็นต้นเป็นอนาบัตไม่เป็นอนบัต สิกขาบทข้อนี้เป็นอนาณาติกาใช้ให้เขาไปแอบฟังคนใช้ยังไม่ต้องอับัับข้อนี้คนฟังนะถึงยุบเป็นอับัติมีองสามก็คือผู้อื่นเป็นอุปสัมบันิอย่างหนึง่งมีประสงค์จะโจดอย่างหนึง่งแล้วก็แอบฟังได้ยินอย่างหนึง่งพร้อมด้วยองสามนี้จึงเป็นปปตาจิตตีสมุทฐานในข้อนี้เป็นเหยียสัตถาสมุทฐานสมุทฐ า, านเหมือนกับพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจนชักชวนพวกเวียนพวกต่างผูเนน้เป็นโจนเดินทางไกล มีสมมตานสองก็คือกระจับ ก, กายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นสิยาจิริยาสิยาอักิริยาบางครั้งต้องเราะทำบางครั้งต้องเพราะไม่ทําต้องเพราะทำก็เพราะว่าไปแอบฟังต้องก็ไม่ทํำก็คือไม่บอกเขาว่าตัวเองอยู่ที่นี้เป็นสัญญาวิโมกสจิติกะโลกวชัชะกายกรรมวจีกรรมเป็นอกุศลและเกิดละกัตุเวทนาน ในกรรมปฏิบาหะณักศิษยาบทที่เก้าสังฆกรรมสี่มีอัปโลกนกรรมเป็นต้นสงจักทำโดยชอบธรรมพิสุไดอยู่ภายในสีมาจักไม่มาสู่สังฆกรรมนั้นด้วยกิตอันใดอันหนึ่งให้แต่ฉันทะเพื่อกรรมนั้นมาแก่พิสุอื่นครั้นกรรมนั้นสงทำแล้วโดยทำโดยวินัยภายหลังปรับติเตียนการรบสงเป็นปาจิตตีทุกๆคำเลย กรรมปฎิภานะก็คือห้ามตําที่เป็นธรรมแล้วนะให้สันท่อันเป็นธรรมแล้วประภายหลังก็ติเตียนบนว่าอันนี้ก็ต้องปฏิบัยุตธรรทุกๆคำสมุทฐานสามก็คือเกิดแต่กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเหมือนนตินาทานเป็นจิรยาสัญญาวิโมกสัจจิกะโลกภะชะกายกรรมมจิกรรมอกุศลจิตแล้วก็เป็นทุกเวทธนาอย่างเดียวต่อไปฉันดังอะนัตตวาคามณสิกขาบทติ่สิ ให้ฉันธ้าพอใจแจกจีวรให้จีวรกับพิสุแล้วภายหลังก็ถึงทำกุณบ่นว่าอีกนะสงประชุมกันในสีมาจะระงับอธิกรณ์ที่สู่ผู้โจทย์ผู้จำเลยแจ้งความของตอนตนขึ้นสงสมุติพิสูผู้สักถามขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ซักไซความหรือสงกระทำสังกรรมทั้ง 4, สี่จงใด่รหนึ่งตั้งยติหรือสวดอนุสาวระค้างอยู่ ทีุ่ได้อยู่ในหัตถบาทสงพระราชนาจะให้กรรมนั้นกรรเริกไม่ให้ฉันทะก่อนแกล้งลุกไปเทียยังไม่ละหัตถบารสงบริสัทเป็นทุกข์ครั้นมละหัตถบาทแล้วเป็นปาจิตตีอ่าข้อนี้อยู่ในหัตถบาทของสงแล้วลุกจะอาสนะไม่ให้ฉันทะนั่ให้ฉันทะก็คือตอนเหตุว่าพระราชกุีอ่ะเข้าไปในหมู่สงสงก็เลยจะทํากรรมด้วยทํากรรมก็คือจะยกวัดหรือว่าจะ ติเตียนพวกนี้นะก็เลยหนีนะลุกจากอัณนะเลยไม่ให้เฉยทะในทางกลางสงยังกําลังจัดวิธีใัยกันอยู่ถ้ายังไม่ละหัตถบาตลุกออกไปก็เป็นทุกข์กอดละหัตถบาตแล้วก็เป็นปฏิปีสงสัยอยู่ในกรรมเป็นธรรมหรือกรรมไม่เป็นธรรมสําคัญว่าเป็นธรรมและสงสัยอยู่กรดีเหล่านี้เป็นทุกข์ดรู้อยู่ว่ากรรมไม่เป็นธรรมเป็นอนาบัติ รู้ว่าความทะเลาะวิวาจะมีแก่สงหรือสงจากกระทำกรรมไม่เป็นธรรมเป็นวักจากทำกรรมแต่คนไม่ควรกรรมดังนี้ก็ดีหรือว่าเป็นไข้หรือลุกไปกด้วยจิตแห่งพิจูไข้หรือกลั่นอุจาระปัสสาวะหรือไม่ปรารถนาจะให้กรรมกำเริบหรือลุกไปด้วยคิดจะกลับมาก็ดีและพิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติข้อบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ผู้อื่นลุกไปคนใช้ไม่เป็นนะคนลุ ก, กเป็น มีองค์หกคือปฏิสิทความหรือสังข์ ก, กรรมยังค้างอยู่อีกข้อหนึ่งข้อทีอ่สองกรรมนั้นเป็นธรรมข้อที่สามรู้อยู่ว่ากรรมเป็นธรรมข้อที่สีอยู่ในสีมาด้วยกันกับสงฆ์ข้อที่ห้าตนมีสังวาสเสมอ ก, กันกับสงฆ์ข้อที่หกแล้วสงฆ์จะให้กรรมกำเริบแล้วลุกไปมาละหัตถบาลสงเสียพร้อมด้วยองค์หกนี้จึงเป็นปฏิสตี สุทฐานข้อนี้เป็นสมนุุพานะสมุทฐานหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือธุระนิเพปะสมุทฐานหมายถึงท่อดธุระก็คือไม่ใส่ใจนั่นเองสมุทุพานะนี่เกิดจากสมุทฐานอย่างเดียวก็กายวาจาจิตกายวาสาจาิตเป็นกิริยากิริยะก็คือต้องก็ทําทและไม่ทําสัญญาวิโมกสจิตกะโลกัลชาเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตทุกขเวทนา ในทัพพระสิกขาบทที่สิบเอ็ดหรือว่าในพระบาลีอริกถากา็าใช้คำว่าทุกพระสิกขาบททุกพระทัพพระทิุใด ย, ยอมด้วยสงซึ่งประชุมในสีมาให้ผ้าจีวรซึ่งควรวิกับเป็นอย่างต่ำก็คือแปนิ้วคูณสีนิ้วพระสุคตขึ้นไปเนี่ยนะแกทิสุที่ ส, สงสมมุติเป็นพัสสุเทสะเป็นต้นโดยทำเธอทาการสงโดยชอบอยู่ แล้วภายหลังกลับติเตียนว่าพิสุทั้งหลายน้อมลาบสง์ให้แก่พิสุตามความชอบใจตามมิตรตามสหายดังนี้ต้องปาจิตตีทุกทุกคำเลยถ้าพร้อมใจกันให้จิวันสำหรับพิสทุที่ทําการสงด้วยความถูก ต, ต้องแล้วนี่นะถ้าไิพูดติเตียนบอกว่าพิสุงหลายน้อมลาบสงไปตามชอบใจนี้ต้องบัดปาจิตตีทุกคําสมุธฐานสามเหมือนอ น, น, นิสิตินทานเกิดจากกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิต เป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจิตุกะโล ก, า ว, กาวัชชะกายกรรมวชีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตสิกขาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนาต่อไปในปรินามะสิกขาบทที่สิบสองความว่าพิกตุใดรู้อยู่ว่าลาบทายกน้อมไปแล้วแก่สงด้วยวาจาว่าจักถวายสงและน้อมมาให้เผาให้แก่บุคคลคือพิกตุอื่นเป็นปาจิตตี ไม่ได้ทั้งปวงนอกนี้ก็เหมือนกับปริณตาสิขาบทในนิสักคียะปัจจิตตีนั่นเองแปลแต่ในปริณตาสิขาบทเป็นนิสักคียาปัจจิตตีเพราะน้อมมาเพื่อตนในสิขาบทนี้ชื่อว่าปารินามณะชื่อก็คล้ายกันในข บ, บทนี้เป็นแต่ทุกท่ปาจิตตีไม่ต้องเสียสละของเพราะว่าน้อมไปให้ทิฏฐิอื่นเท่านั้นคือจะน้อมไปให้ทิฏฐิอื่นน้อมไปให้สองมู่อื่นน้อมไปให้อะไรก็แล้วแต่ต้องอบัตปาจิตตี การที่ตัวอื่นเป็นปัจิตีนะถ้าในนิสสกิยะปัจจิตีปริณตตาสิกขาบทถ้าเป็นปริณตตาสิกขาบทนี่อยู่ในปัจจวัฏสุดท้ายนิสสกิยปัจจิตีในปัจจวัปริณตตาสิกขาบทข้อที่สิบก็คือถ้าน้อมละของสงมาให้แก่ตนเองต้องนิสสกิยาปัจจิตี ถ้าลาบน้อมแล้วแกสงเนี่ยถ้าสงสัยก็บัตรทุกข์ลาบน้อมไปแก่เจดีย์องค์หนึ่งแล้วที่สุดน้อมไปแก่เจดีย์อื่นก็ดีลาบเขาน้อมไปแก่สงหมู่หนึ่งน้อมไปแก่สงหมู่อื่นก็ดีน้อมไปแกเจดีย์ก็ดีนี่ต้องบัตรทุกข์ที่สุดน้อมไปแก่เจดีย์อื่นน้อมไปแก่สงน้อมแก่คณะแก่บุคคลก็ดีหรือลาบเขาน้อมไปแก่บุคคลแล้วโดยที่สุด แม้แต่ตัวนักตัวอื่นก็ต้องอบัตรทุกก น, น้าบกับน้อมไปแล้วที่สุดทำกันว่ายังไม่น้อมก็น้อมมาเพื่อตนเพื่อผู้อื่นเพื่อบัตรทุกกฎหมดตกลงแล้วลาบขอน้อมไปเพื่อส่งแล้วถ้าน้อมมาเพื่อตนต้องเอาบัตรนี้สกิยาปฏิตีถ้าลาบขอน้อมไปเพื่อส่งแล้วน้อมไปในสอหมู่อื่น อันตุกตน้อไมไปแก่บุคคลอื่นๆจะเป็นญาติผู้คล้องพี่น้องสัจจะฉานก็อันตุกตแต่ว่าถ้าลาบเขาน้อมไปแล้วเพื่อสงน้อมมาเพื่อตนถึงจะต้องอันบัตุกต์ต่างกันอย่างนี้นะสมุทฐานสาม 3, ก็คือเกิดแต่กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแล้วก็เป็นกิริยาสัญญมิโมทะ จ, จิตกะโลกวะชะกายกรรมวิจิกรรมอกฉะไจิตเป็นเวทนาสามแล้วก็เป็น สมุทานเดียวกันจากอธินาทา น, านทิกฐาบทเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็คือถ้าลาบสงลาบพิกน้อไปเพื่อสงแล้วน้อมมาเพื่อตนต้องอบัตินิสกิยาปิตีถ้าน้อมมาเพื่อพิกตัอื่นต้องอบัตตายจิตตีเท่านั้นแต่ถ้าน้อมไปแก่คน อ, อื่นๆจากนั้นคือน้อมไปสงหมู่อื่นน้อมแก่บุคคลอื่นน้อมไปกับทัจจิีอะไรพวกนี้ก็ต้องอบัตทุกข์หมด นี้สิกขบทข้อที่สิบสองในอัตถวัตก็คือทำมิกายวัที่แปดก็จบแล้ ว, วลก็สมควรจะเวลาท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาในพวินัยคําสอนมุนสลมสมริก้าซึ่งประกาศอธิเสธและสิกขาอธิเสธและสิกข า, านี้จะเป็นฐานเป็นที่ตั้งเพื่อกูลแก่อธิจิตติกขาก็คือสมาธิหน่วยสมาธิตั้งมั่นก็เพื่อกูลกัการระลับนิวรแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาพราะว่านิวร น, นี้เป็นตัวที่ทํำร้ายจิต ปิดบังจิตให้กุศลจิตเกิดแล้วก็ทําปัญญาให้ทุรพลเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะละนิวรณ์ได้ด้วยอธิจิตติขาด้วยสมาธิก็เกื้อคูลแต่ปัญญาในการที่จะรู้เห็นตั้งความเป็นจริงไวัท่านทั้งหลายได้ตัดรู้อริยรสัจธรรมคําสอนว่าสมาธิเจ้ารู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็เห็นแจ้งอริยรตัดตัดรู้เป็นพระอ ร, ริเจ้าในการไม่เนิ่อช้าในการนั่นใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ